เราถ huh ือว่าบาปนั้นเป็นจิดเป็นไ่้ยกปกเชืกอหม้อผสมพวนแก่ตัวของตัวเกียงกลัวบาปเกี่งทุกข์ัหวทุกขนแล้วี่ฮลิโอสตาปะท่ำคือท่ำของเชือว่าดาท่ำขาวพวนทีนี่เีลิโอสตาห์ท่ำยังเดินไปชื่อสถานที่ดี ควปาถนะบ่อถ้มันก็บ่อตาเด็ไหยนั่นคู่ใดเราป่าถนะคว่ำตัวป่าถนะควบ่ดีบ่งายปาถนะคว่ำถูกคว่ำเดือดร้อนแต่การกระทาของเฮาเอาไว้ที่แจน่าอาชีพนี้มันดีมานตัวเอาแต่จความอยากของใจจุดผูกยางได้ยามันแต่มันเป็นยางนึ่งมัน จะไรับทุกรับโทษจ้าสิมันจนผลดีเลย ม, มันนี่น้อยจ้างิฝนไห้นตั่วมันมากหาเข้าวายใจตองพีเจริญหน้าเหมือ น, นกันก็คนยื่นเต่อนมนนอบาบลยแน่เลคสับอันไหนยื่งใส่คุนั้นไปถูกนกถูกววงถูกสร้างมันหายงา่าย มั่นคือถูกไห้ชวนค้นทีจ่องม่องจริงจังหรือจังยิ่งมันถูกคิบหนือยการตรวจตาที่แจ้มน้าสายใจของตัวกับท่าน้องเดียวกันมันสัวมันเสียวันใดพยายามแจกไข่ละถอนจริงทมันบดีบองง่าบอกไป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 ทุกโทษมันเกิดมาจากท่ายนั่งา ก, การจิต ก, การปรุงของใจก่อนจะมาปูดมาทํ่มสามภาวนาคือการราคาจิตหรือจิตของตัวเหน้าจิตข้องตัวแา่มันอยู่ในอารมณ์สัญญ้นาจิเป็นทางมากทางฝนหรือใหม่หรือมันเป็นไปเถอประกอบเรื่องทุกเรื่องโทษใคตัว ส่วนตาที่แยหน้าอยู่เรื่อยๆดูคิดดูใจของตัวก็เห็นตัวนดีมัานเกิดขึ้นบ่ส่วจตาที่แยหน้าอันใดอยาให้มันใสอยากให้มันสะอาดมันก็สะอาดบ่ได้ที่ห้อบ่ปลาบ่กขวดบ่ดูบ่ได้เห็นมันตัวมันง่ามมันสะอาดมันสะอาดไปบ่ได้ปลาข้าวขวดมันจะพอสะอาดเลาซักข้าวพวกเขาเจาะข้ารักษามันจะหนักสะอาด คิดใจแต่ถ้านองเยียวยาสันอาศัยแต่จิตปัญญาอาศัยออาศัยธรรมสักพ้อสักวัดเดี๋ยวๆใจถึงจะุ่งผุ่งจิดเนตรจิตของในอารมณ์ป Fo ัญญาต่างๆนั่นน่ะเดี๋ยอันนั้แต่จ <t> ีตเดี๋ยวอันน้นปัญญาช่วยหักหามช่วยแกะไขสักวัดอารมณ์ตัวเสียออกไปเรื่อยๆใจ สะอาจจุ่นทองไซจุ่นเห็นซ่อนอีนท่ำหรือเห็นซ้อนอีนปวดจึงนั่นเขากวพ่อใจมันเกิดจึงจะใจของเข้าเข้าก็มีสติหรูเท่าท่านเหลืองของมันหมายมันชิดมันตรงจึงทัวศาแล้วน่ะด้วยการรักษาภาวณาสํารักษิต บาดางนั่นเผ่ากับเท่าที่คือเด้มันบาดเท่าไปน้าจิตใจแต่มันเผ่าไปน้ำเรื่องของกายกายตายชีวิตกันหาก็ตายไปน้ำกับพวกผู้ใดสิน่าต้องคิดปฏิบัติห่างลาบากพอทุกคนติดเท่าตีดแก่ตีดลมทีดตายชื่อกัน ตายไปกี่เดือกันหามันระดับไปสิมหมดพอมดค่าไปเกิดในลำบากลำข้ามอีกจังน่ะผู้ชายเจ้าเพิ่มบริสอนข้างน้องนะต่างดูได้สี่ทาทมหูแจ็งแช่ตลอดได้ก็พ่อมีลมหายใจยื่เท่านั้นตายไปแล้วผมมีหวัง ไอ้ามสงคงามความดีเดอไปส่งได้ว่วงหวหามดอกสั่งภาวน่าสํายใจพอทำได้หือสนต่างใจเตต่างใจทาความเห็นความเ็นองิองใจไอ้ใจงบ ยังอับดายหรี่ยามท้ำยึดฟังถ้ำในใจของเจ้าของอาเป็นเรื่องขั่วแต่เป็นเรื่องดีก่อประทับประคองเอาไว้ใจมันอยู่ในขอบในเกล็์ของอาชองถ้ำดูสิดูแลจิตใจพุทธิเอาใจใส่ ตัวฟองตัวยี่ย่างน่ะเป็นว่าฟังท่ำทั้งฟังทั้งท่ำไปเรื่อยยวได้มันดีีประโยชน์ท่ำอย่างนั้นเกิดมันเห็นมันเห็นมันรู้ยาได้มันเป็นเถิดเป็นทุกข์กว่าท่ำคำรามันออกไปอย่างนั้นมาจากมาฉั่งมาพอมาขวนคิดใจอีกถูกคนพยายาม การเก็บจิตใจของตนศึกษาฟังธรรมอยู่ภายในอย่างนะั้น้องงูชื่อช่ยโงมาใจเกาใจความกันับวันสีสลาดขึ้มซ้ำสลาดที่นี่หน่อยนับวันทวีพูดว้ำสลาดให้มากมุ่นต่อไปเกียนจิตใจเบิกบานจิตใจพองใสใจิตใจ อยู่แก่ไม่อัดได้ถ้ำได้คอร่ล้มตัว้องตัวเดาะมันงแเ่งหน้าช่างแต่กำละสาสางกีเดียกันหาถ้าบเบิลแค่นัมันบเห็นดอกถ้มของพระพุทธเจ้ามับเห็นโบหูเหรอแม่งโบเห็นบหูมันเหมือ มีิดตายาหนึ่งเหยียบได้คึอย่างนั้นชัวๆลาหม ก, กโซกระพกโซมอปันได้ไเหยียบได้ก็เหยียบเลยจคงไยเสียใจไขหลังคนนี้คนเหยียบไได้เหยีย บ, ไปไปยยยบหมดเหยียบผูดอของเาของเหมินพอมืนหูมืนตาเวลาไปเวลามาบา่เลยเจหน้าก็ยังจะเหยียบมัน หากเก็นนะบุญผู้ดใดไปเหยียบนันดอกผู้สิมีเศรษฐีปัญญารักษาใจมันคิดๆิดคิาดคิดดีคิดตัวอย่างไดแต่นี่เศรษฐีระลึกลกูมีปัญญาสอบซองมองดูว่ามันคิดถูกอย่างไดเมส่อดจแก้ไขแต่ท่านเหตุการ ตัวของเฮาหลายอย่ า, ยางนะเห็นไหมว่าภูพาวนาภูฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะมันมีอยู่เนใจทุกคน้ัขนาะหลบโกนหลงมีอยูออ่วันใดธรรมะมัออนถึมีอยู่วันหนึ่นมันผูจน ทั้งคนที่จนไม่คนดว่งม <iend Ensuite, S 1> ันจะจนคนบ่เงาหรือไม่จจนดอกทามันนี่อยู่ทุบย้อมหนาหยูบกระถมนำมาถ้ำเสียงเลยตาทำมารูปบกระถ่อมเยียวานำมาแก่ไขทับไหลความหุ่มหลงนำมาถ้ำคือจริงจ มองบาเห็นเหตาคือความถกความถูกความผุมม่งความแตงของใจเห็นนำมาทำท่านก็เหตุการ์ของมันทูกยงางฟังมันถูกยางที่เสีหน้ามันถูกยางมันเกิดปัญญาหลูดแจงแ่างตลอดทับไหลชึ้ใจจีบไปก็อเกียว พวกท่านเหมือนยกไฟมดไฟเตใจบริสุดสะอาดฟูปีแจน่าฟูฟังธรรมะภายในมันม่ อ, อยุดอู้ฟูหน้าเรามีปัญญาบริวรสวรจ เราดูดดดตางอางหัวมือขันใส่สตว์ที่ต่างนะที่เีกช่นขอมเจิเ็นมันจนือจิย่ามความดีมารักษาหัวใจยาเสี้ยวความตัวมารักษา คันมดีทุกคนเลยแต่สมมากวมองอาภัพอวัตนาพบกันหลายดอกการท่านให้เคยถ้ำการรักษาผิวการตัดการไหวการหนึบการภาวนาอะไรลึกไม่ไว้เหมือนกันกับเรารักษาสมบัต ของเราไหวของสีนีคุ้น e ่าเย็บไหวสถานผีได้แเอาใจใส่ัดจาเวลาเกิดทําหลุดวนไฟใหบ้านมากกวีสวยเอาได้จะเป็นไปเย็บไหวบนได้ไปกิมไปบนไดเวลาไฟใหม่เนีเ็บบวท่านหนเาเราหลุดในงคุ้นถ้ดีที่เขาทํามากกับถ้นองเดียวกันกับเขาเย็บ ของทีนีคาไวเวลาตายไปเสรีเย็บเอาความดีสีนเนารักษาภ า, าวนาแล้วเ่วยท้มท่านเขาเกยดหายเย็บเอาได้เราลึกไปในทางดีทางศีนทาง ข, งขา้ามคนั่นบริปไปดอกนรกจากนรกเขาบวลับโมปีบานเขาอย่าง ว่ารบดอกคนดีฐานทีส่วสีเสียมันอยากไปเขาก็บอให้เขาเพื่อกันต้องเขาสิบ่ดีสุดธิ์จากเขาไปคุกไปตะลางตารวจเขาบอกอนุญาตดอกแต่ค้นส่วนเนี่ยโบป่าถนาอยากไส่เขาก็หลากข้อขอาไปค่างดีทีเท่าคิดได้ รละลึกได้ในเหมือย่าลเล้ า, าสิลมหายตายไปเป็นมาเดีไปดูสถานสีดีพอคิดลาเลิงบันเทิงจิตสะอาดจิตสกจิตสบายจิตเิีงความดีดีแต่ถ้ามาา้าเดี๋ยใจดีว่าใจเดยใจมันจะให้มันละลึกนึกเอาไว้ความชัวรสิให้ข้ามาอย่าสิเต็ หามากความใจความชัวผิดธรมวงไปแล้วเป็นเรื่องคามชั่วผิดหลวงไปแล้วปัจจุบันจะไปเจ้าของมั่นพยายามแกไขจิตใจิไปจิตุงเรื่องควาชั่วยังใจเป็นมัวมันเมามันเศร้ามันมองคือการรักษาใจของเจ้าของให้ทุกข์ให้สบาย ว่าผู้ใดมันจะทำได้หาสลากาง้อมันองเอาบัได้เอาฟ้งดีหาสวนมลทำวัดเศร้าทำวัดเย็นทังตัวเป็นบุญเนกุศลทมเลยความสมัครใจทมเลยความเดี่ยวใจสัทธา ทไปพอเสียบว่าได้นี่สิอันนี้โสงมันหน่อ ย, อยทำเด็กเจันามุ่งหวังิเอาบุญเอาผู้ชจากการจกระท่าของสนมันได้บุญยู่มันบกมันมันเสียมัมนเสียไปดอกจิตใจทองใสใจิตใจยินดีอยากตามอยากวาวา ใจกับท่าทั้งว่าจ้ากันดยพูดออกไปท่างใจกันเลยคิ ด, ดในนี้ช่วยงามคพามดีหอมไปทั้งสามถว่างโเยียเขาควางเงินท่องอีเงนินเพอาทำได้ทำทำดีบอมเป็นสิทำงา่ า, งายทำง่าย 네ใจง่ายเพนกวอจับพวกกลุ่มการทำเสียวเสียอีกถิมันทำเนี่ยเวลาไปโจกไปสัญญาณไปจับพวกกลุ่มเขาข่าเขาแจงท่านยต่มใจว่าทำมาทำหม้อรือเดนตุกรมภาวนาบกชิดแล้วเขาถมขามาแจงมาจับมากลุ่มแบบทำงําย แต่คนบุญทำบุญโดยง่ายเท่าไงคนบาปทำบาปโดยง่ายคนบุญทำบุญโดยมากทำบาปโดยน้อยคนบาปทำบาปโดยมากทำบุญโดยนอกระู้ซ้สลาดรู้จิดกันรู้จิ้บสลากงงจะเด็กเมอรู้ิ้งโงังงน้อย ทำาทำบุญทุกคนมันเคยทำมาเกือบหน้ากวันนี้ผู <S <S ้ใดหสือยู่ซุ่อๆนขายข้าฝุ่นมันนี่ของสีไหลยิ้มย่างของนี้ชุดนี้ปุ๋งนี้ส่วนนี้ดีเห็นไหมเกืบเต็มแล้วตาหันจะไม่สวยไม่จางจะไม่ต่างนี้กระดึ๊งการจุดตารเห็น ทำอยู่ความส่วนในชนในใจของห้ามันีจเงแล้วนันบดีเลยยามปัดเตาออกไปจึงแล้วันดีเช็ดซ้ำเอาไว้เอาารัาใจใจของ้ามสบายใจสบายตายไปนี่จะไปู่สวรรค์สันทราได้จ้าเจจ ใจตอมใจเหนียวใจห่งใจเดืดร้อนหุนว่าอิมตายไปสิไปสวรรค์่โนมีไปมีธาตุมโนอะไรแต่ยังไปถามหา่ใจนั้นเนแบบแสวรรค์มันบนมันเดือดร้อนบนบนหุนว่าอิ่มาตบนใจที่นี้คือเลือ ใจถี่ in in ีความจ้งสายใจถี่มีความลังเลใจถี่หมดวิเหลือปัญหาอาวุาอุปทานการบริโภคบสเยวบ่เก็บบอหล่อนบอหุ่นบอวายใจดับทุกข์ดับโกรหมดจิน มันมีเชืองหลาสงสัยมันต้องสิบไปได้พยายามทำไปเห็นแล้วอย่างเชืองจีเดียนข้าบัทถาำมันสมมดไปทีวิเสื่อา่าไก่มือตายเขาเหลื่อยคอยอริยเนยไก่เป็มาจัดถ้านเถอดยังสิบคอยไปตั้งเถิดั้งถ้ำยังคอยสืไปเพื่ปฏิบัต กูได้รายเอียดใจก็นาตัดกันาสอนของเก่านึ่ตัวท่าสอนกูพระไตรเจ่าที่หลวงไปแล้วเยอะอนาควรยังวานมาถึงคนว่าโบแกกันเลยพระพอป่ารษัยการนั่งกุศสุขกุศลเมตตาเศรษฐกิามประโยชนางการนั่งหรือทางเมาทาง้นนั่งพระไตรเจ่าทุกพระองค์สอนที่กันหมดสอนเห่ละตัว ให้คามเท้มดีท่านคิดท่านใจให้คล่องใช้ปราศจากทุกโทษสอนที้กันหมดตัวทัวไปให้เรียนรมดีทัวไปให้บวามเท้มต่างคิดใจขลองตนให้รู้เห็นปราศจากท่านตามเป็นจริง สทเรายรบบบธบอบสิตบึบบสอนจิตใจภาิาเนี่ยกลมะปดแต่ถ้าน้องเ้าหละฉันบ่มาปดทําสอนอนียังนอยู่เาแต่ามั่นเพีจิตใจนึงเหยียเยันจิตใจนึงจะเห็นแก้ฮะเาามเพ โบจุดเหนือจุดตัวถึงศาสนานี่อยู่คำสอนหนี้อยู่พระผู้ใจเจ้ายั่งยู่มันกบฏเลยรับผลรับประโยชน์อันได้หายสอนใจของตัวหยุดเด่นแต่ถ้าบ่มเช่นมันเห็นมันรู้มันเย็นมันสบายหรอมันสบายหรอกโอบมั่งจีวนวัดวนฟันขาฟัน สบแปงกันยางใดก็เป็นเรื่องของโลกไม่ ว, ว่าโลกนอกออกจากตัวเร่โลกในตัวที่ขาดที่ขันมันพวนปันติดแตกติดดับเท่ากับวุ่นวายพาสิ้นสิเห็นสิ่สบายเขาเห็นอยู่อย่างของขาดของขันมันเป็นอย่างใด ใจตามเป็นจริงพวกมั่นหลู่โลกนอกหูโลกในใจบริสุทธิ์สมมดเรื่องเขาน่ยามช้ำมันเห็นมันเย็นแับย็นหัดตุกมันโมนี่คนอื่นดอกท้ำหมักของอุปเท่ยวอันนี้อย่้น ตัวก็เขง้าทุกคนทั้งนัาแสอนเจ้าของตลาดรักษาเจ้าของมันจะไปได้ความสุขความสบายนะครับคือได้ทั้งว่อนระวางหิดระวางใจทองตัวผู้นั่นแหละมีคนจะบวงข้องม่านคือได้บั ราว่างท้งว้อนจิดใจท้องตัวแหละผู้นั้นหิวบ่วงข้องม่านว่นนี้นบ่วงม่านได้นีสติมีแอดรีนาลีนมีสัญญาณนสอนจิดใจเรียงเท่านหร่มันจะไปได้มันนี้มากงายร้ายหลวงเอียงแหละความดุองหลง นี่เท่าไห่คิดปัญญาเมื่อกี้นี่เท่านั้นเหมือนี่เทไหวางม่อกีี่เท่านั้นเกิดนี่เท่าไหตายมื่กี้ีเท่านั้นยามเกิดไ้เห็นเอาการไม่ชิดไมใจหมดตรงส ไส่โลได้อีกอ่าสนาศาไนนันที่ทุกสบายเจ้ต้งส่ยังสยางถ้ว่าสตรอย่านั้นเป็นชุดยางใดศาสตร์านาเขาจ้าน้องเดียวกันเหรอนค่อยวันค่อยขึ้นค่อยดีค่อยเดือดแบบอยูเรื่องนั้ เหนมันเย็นในจิตในใจมันเย็นมันสบายมันหายห่วงหายสงสัยวัดมาว่าเลวัดหนึ่งจิตหนึ่งใจก็เชียราแตงเจอยเรียนหนักมาเนมาเพื่อนมาขู่มาคุยกันร้ายๆฟุ่มเฟ้าแตงมาแตเจียใสเจียใส ขี่มูลขี่แม่เแต่มันพอได้กี่มาเนี่ยมันจำดีขึ้นอย่างเรื่างอาร์ตเรื่อง้สขี่ผู้ชายการส้างสอนนั่นวดกเข่าไปขึ้ที่เส้นใจเหรอยนวเจ็บว่าจำงอนวัตย์ยุทธ์งอนเรื่องอาร์ต่องแต่งอนหมอนิ่มันไวอยู่่ จำดี angels, son, monte, ือจำเรื่องของโลกนก็่งแก่ตัว่นยะาดใหญ่เเรื่องงโลกนีจำดีที่แค่โอ้ใจหูะจำได้ ขาาจาได้ฟีกจได้ถ้ามอ่านใจเย็หนึ่ลืมใจเย็นหนสอนใจเย็นหนึ่ลืมใจเย็นหอันีิดิ่งกเขียนอาสาเขียนใจเธอได้ไหคบว่าเป็นเป็นจุตัวให้ บทประทับใจวนประทับใจเยี่ยมเยี่ยมถึงข่ามสองข้ามถนัดน้องกระะทับสังเข้าไปข้างในไข่คิดในถสยายยังไงอาจารยสีเสดงจะเจ้าซาซาีบทเด้อไม่คิดขาเยี่ยมบบาคุณเท่าดั้นนำมาพิจัยหน้าเชนรือแกงไน้ิดไนใจ ระยะที่บอกวีนัททีนี่เข้าวันว่าถ้านั่งนั้นซื้อม่ใช่กานเชียนอากป่าไม่ใช่การจิตตืนใจเรเป็นเรื่ข้มเป็นป่าข้อมือป็นปีแตะวันไหวแค่เดียวกามหัวได้จำเดี๋ยวไวเพ่ ใน้อความเจ็บความเจ็บควาตายมันจะมีอยู่แต่ห้าววหนเกิดถิ่นเดียวเขา้าเองแตประจเพนนี้แหละจักษาจเพีรักเจรื่องใจที่กใจ้องก็เห็นนี่แล้องจ่อห้องก็เซยถูกเซยกระเซยอยู่แล้วจำเป็นของตนี้จำปผู้ให้ควเนก็ ไปจักไหมยึดแ่ใจติดแจแขยงสวนองตัวยางได้แนว่านี่ต่อไปตั้งใจแจแขยต้องยู่สสายสวมยางได้แทนสียึดสีเย็นให้พยายามท่ำม่มีอันอื่นดอกเดี๋ยวันเปิด อยตลอดเดิล่ากำยูามส่วนผีันอยู่ในส่วของส่วนกับเปลือกเฮาหูอยู่แห้ะเจ็ดสีหลับควนเจ็ดควนหลับท่านส่วท่านเสียเจ็ดสี่จำเอาขึ้นความดีกัเจ็ดจำเอาไว้นี่เท่านั้นธรรบุคคลใจจัง ไปเอาทุกกระเดทุกกระเดเอาทุก็ไะ้ดทุกย่างดืจิตใจแข็งแกร่งที่ตัวกระทั่มิึ่งตดีนั่นแะมีความชุกชื่นเย็นใสท่านอ่าแล้วปันเนี่ะเร่างอไได้เมื่อหล่ะ